กราบพระรณาตรพระพุทธธรรมประสงครูบาอาจารย์กราบนักการพระสงฆ์ทุกรูปมีพระอาจารย์มหาภัยมานาจาราและก็พระสงฆ์ที่ติดตามก็เจริญสุขเจริญธรรมในญาโยมทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาในวันนี้ขอให้นั่งตงสบายแล้วก็ตั้งใจนะ ดูหน้าแล้วมีเรื่องเยอะเลยเนาะดูหน้าก็แล้วมีเรื่องที่จะพูดเยอะ <c oughs> แต่ว่าอย่างที่หมอประไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่ญาติโยมได้มาสนใจกันเยอะเนื่องจากว่าเรารวมงานอสองงานเป็นงานเดียวงานครัท่านอาจารย์ควิดเขมานันทะ a แล้วก็งานสืบสารเจตนารมณ์ร้อยปีหลวงพ่อเทียนที่เราทํามาเป็นเวลา ปีที่ห้าแล้วเนาะสาปีเนาะแตปีที่ห <c oughs> ก็รวมมาเป็นงานเดียวกันธรรมาเองก็เป็นคนกลางที่จะประสานเชื่อมประสานทั้งอสองงานนี้เป็นเรื่องเดียวกันโดยอาศัยเรื่องของตัวเองเด็ก่อนอื่นแนะนําพระสงฆ์เราว่าพระยารนพระมหาภัยเพึ่งแน่นเพึ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้ก็ตามบติเป็นผู้ทําหน้าที่แทนธรรมาอยู่ที่ วัดป่าพุทธยาณาธารามรัชเวกัตในฐานะเป็นเจ้าวาดอมาก็ไปนู่นไปนี่มาทั่วโลกอาศัยท่านดูแลรักษาวัดให้พร้อมกับประสงค์อีก5รูปและพระอาจารย์เจราซึ่งมาปฏิบัติการหลวงพ่อคำเขียนอยู่ที่วัดป่าสึกโตูคราวที่แล้วเคยมาช่วยเราครั้งหนึ่งซึ่งท่านตั้งใจครั้งแรกจะมาพบบัณมาเนี่ยบัณฑนาไม่อยู่ไปต่างประเทศแล้นก็เลยไปทางหลวงพ่อคำเขียนปฏิบัติที่นั่นได้หลายปี แล้วก็พระสงฆ์ที่มาจากวัดพระธาตแสงเทียนนะฮะดูแล้วคนเก่ากับคนใหม่พอๆกันเนาะหลายคนก็ดีใจที่ได้มาช่วงช่วงนี้เพราะว่ามาเองที่ได้มานั่งอยู่จุดนี้ก็เพราะอาศัยอาจารย์กุวิตเป็นครูคนที่สองหลวงพ่อพุทธทาสเป็นครูคนที่หนึ่ง เพราะว่าตัวเองสมัยบทเป็นเลนได้ใปีพศสองจนมาถึงพศ .215 เนี่ยได้อ่านหนังสือคือเป็นข อ, ข อ, ข, อ, ข, อขอยืนเนาะไดเห็นหน้าทุกคนเนาะก็เดินกันเลยคือเป็นสำเนินน้อยแล้วมาอยู่กับวิบชาเจ้าคอำเภอทีทุกวันเนี่ยท่านจะให้หลังจากสันเพนแล้วท่านก็จะให้มานั่งอ่านหนั ง, หนงสือให้ฟังเล่มนั้นเล่มนี้เล่มนั้นเล่มนี้ในวิธีการของท่านทีนี้อ่านไปอ่านมาเนี่ย ไปเจอหนังสือของพอพุทธทาสเล่มเล็กเคล็ดลับมองด้านในก็มาอ่านให้ท่านฟังต่อมาก็โ อ, อ้ปรากฏว่าตอนแรกก็อ่านไม่รู้เรื่องนะตอนหลังมาอ่านเข้าใจถ้าอ่านไปถึงตรงไหนที่สงสัยท่านก็จะถามตรงนี้หมายความว่ายังไงแล้วถ้จะมาเป็นคนอธิบายถ่าอธิบายไม่ถูกท่านก็จะอันนี้คือวิธีการของบูชาซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยพอมาเป็นสมเร็วันนอก ปีนั้นสอบนักธรรมได้นักธรรมตรีได้วันเลนสิบกรุรูไปสอบได้2 อ, องค์เพราะรู้ว่าท่านาท่านรู้ว่ า, าธรรมากรเนนอง์สอบได้ท่านก็นไปรับเอามาอยู่ด้วยพออ่านหนังสือทุกวันจนกระทั่งมาถึงเล่มใหญ่เล่มบรุรมษธรรมใครเคยเห็นปกสีขาวนะบรมษธรรมเล่มนั้นก็ได้อ่านแนวความคิดของ พ, พระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นเนนแล้วต่อมาก็พอมาย้ายมาเรียนบารีอยู่ที่วัดปยญญลวงสาวาท ก็ติดตามศึกษาผลงานของท่านเพราะฉะนั้นในปี2515จะมาบวชเป็นพระที่นั่นแล้วปี2516ในปีนั้นปรากฏว่าเจ้าวาดวัดปริโยงสาวาสเนี่ยให้จะมาเป็นหัวหน้าดูแลพระนวากาทั้งหมดประมาณ40ลูกเมื่ออกอกภรรษาแล้วนี่พระใหม่ส่วนใหญ่ก็จะสึกทีนี้หลวงพ่อเจ้าวาดท่านบอกว่าก่อนที่พระใหม่จะสึกเนี่ยเธอนำพระเหล่านี้ทั้งหมดไปปฏิบัติกับกรรมฐาน ที่ไหนหรือครูคนไหนที่ที่เธอรู้จักก็พาไปอ น, นมาก็นึกถึงสวนโมกไม่เคยไปเลยนะนึกถึงสวนโมกว่าเราไม่เคยพบหลวงพ่อฤาษรธาตเลยก็คงจะได้ไปก็พาพา ร, าปประนวกกะไปสี่สิบรูปประมาณเดือนหนึ่งหลังจบโครงการแล้วพระนวกกะส่งพระนวกากะกลับพอตอนนั้นมาเรียนมหาชุราอยู่ปีปีหนึ่งหรือปีสองนี่แหละปีสอ ง, สองก็ช่วงปีเทอม ช่วงปิดเทอมจากมหาจุฬาก็เลยเลยไปไปที่สวนโมกคือช่วงแรกนี่ก็ไปเจริญอาณาปณสติแบบสวนโมกนับลมหายใจทีนี้นั่งนับไปนับมานับไปนับมาเนื่องจากอีซีแล้วมันอ่อนสติสมญาต้องอ่อนจิตก็ยังอ่อนอยู่เวลานั่งไปไปถึงชั่วโมงแล้วก็ขอพับขอเอียงอะไรใช่ไหมนั่งรับนั่งอยู่ยางเงี้ยนะแต่ละวันก็นั่งได้ไม่นานเพราะมันนั่งแล้วหงุดหงิดงกาญก็เลิก ทีนี้ก็มาถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ท่านก็หลวงพ่อผมนั่งแล้วเนี่ยมันมีแต่นิวรง่วงอะตัวง่วงตัวออกจากง่วงได้ก็ฟุ้งซ่านออกจากฟุ้งซ่านเนี่ยก็สงสัยออกจากสงสัยแล้วก็เบือ่อผมจะแก้ไขอย่างไรท่านก็บอกว่าไปอ่านานาปณะสติสิบหขั้นที่ผมได้อธิบายไว้แล้วทั้งหมดในรายละเอียดไปถามท่านทีไรก็เจอแต่คําตอบอันนี้ในที่สุดไม่ถามท่านเลยนะก็ ไปเจอหนังสือเล่มเล็กๆของอาจารย์กุวิทย์กุวิทเขมานันท h ในปี16ก็เริ่มอ่านเออเข้าใจนะเข้าใจง่ายแล้วก็ยังไม่เห็นตัวท่านนะตอนนั้นท่านย้ายออกจากสมุทรโขทไปอยู่ที่หาดทรายแก้วนะกะ็ติดตามไปทีหลังก็ปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาก็ได้ติดตามงานของอาจารย์กุวิตมาจนกระทั่งตอนหลังได้ข่าวว่าท่านได้ย้ายมาสอนกรรมาฐานอยู่ที่ วชุมประธานร่วมบรรพบุรุออเทียนปี2518นะก็เลยตามมาที่ตามมานี่ตามหนังสือตามตอนที่ออกพรรษาแล้วเนี่ยอาจารย์กุวิท ต, ตามอาจารย์กุวิทเนะี่ยกับพระเนหรหลวงพ่อเทียนชื่อคุณภัยบูรณ์กระเด็นไมตรีพาไปด้วยไปสร้างอาสมนวชีวันอยู่ที่บั้นดวงนครนายกอ่าอํเภอบั้นดงนครนายกไป ก็ไปอยู่กับท่านเรียนไปสร้างอาสมใหม่กันมีคุณสเวิตคุณวินายคุณวิโรดอาจารย์ไปบุญเนินไมตรีอาตมานเนี่ยก็ไปอยู่กันก็ปรากฏว่ า, อ, าอยู่ไปอยู่มาในช่วงปิเทอมก็เข้าไปช่วงไหนปิดเทอมก็เข้าไปาก็เริ่มฟังท่านตั้งแต่ท่านท่านบรรยายในกรุงเทพประจิตตามมาฟังแต่ทุกครั้งที่ที่อยู่อาสมเนี่ยเมื่อกลุ่มของ นักศึกษาจากธรรมศาสตร์บ้างจากจุฬาบ้างเป็นรรสิเก่าขอท่าจากสวนโมกเนี่ไปฟังท่านก็จะเอ่ยถึงหลวงพ่อเทียนทุกครั้งเวลาพูดหลวงพ่อเทียนว่าอย่างนี้หลวงพ่อเทียนว่าอย่างนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยได้ยินชื่อของหลวงพ่อเทียนพ่อจันทวิทย์ COVID อ้างถึงบ่อยๆเออหลวงพ่อเทียนเป็นใครก็เริ่มไปถามถามจานทร์พะบุลเกณฑ์นมนตรีซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนไปจากวัดชมประทานพอปีสอ2ห้ามีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องการเมืองระหว่างนักศึกษา รัฐบาลเนี่ยนะนักศึกษาส่วนหนึ่งก็หนีเข้าป่านักศึกษาส่วนหนึ่งก็หนีเข้าวัดก็าไปบวชนักศึกษาทั้งร้อยกว่าคนที่อาจารย์สมศงบุญเยริศเนี่ยซึ่งเป็นทานนักศึกษาชมรมศิลธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไปเป็นตั ว, ต, วตัวเชื่อมพาอ่านักศึกษาไปบวชแล้วก็นิมนต์พระกรรมฐานสองสายสายถากทางใต้ก็ขอจากหลวงพ่อโบราณหลวงพ่อโบราณกสงอาจารย์กวิศเขมานันทานี่มาสายจากภีางอีสาน พ่อปัญญาณันธานท่านรูน้จักเจ้าคณะจาังหวัดเลยดีก็ไปขอจากพระราชวารมุนีเจ้าคณะจาังหวัดเลยสมัยนั้นก็เลยท่านก็เลยส่งหลวพ่อเทียนมาช่วงแรกอันนี้อาจารย์จารยกุวิทเล่านะช่วงแรกที่มาอยู่ก็เรียกว่านักศึกษาซึ่งเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ได้ฟังกันประจําพ่อครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ไปฟังอาจารย์กุวิท ก็แนะนำนะว่าตอนนี้ท่านมาสอนกรรมฐานอยู่ที่วัดชมพูทานดังนไปฟังฟังระยะแรกๆก็ฟังกันดีนะตั้งใจฟังเพื่อนานๆเท่านั้นเข้าบางคนก็เริ่ม เ, เรื่องมันซ้ําไปซ้ำมาก็เริ่มถามอาจารย์สมศงว่าเอ๊ะพระกรรมฐานมีรูปเดียวหรือในวัดอาจารย์สมสงก็ไปถามหลวงพ่อปัญญาเนะี่ยท่าน อ, อ๋อมีอีกรูปหนึ่งที่พักอยู่ทางท้ายสางด้านวิหาร ของว่าชุมพทานก็ไปนะก็พากันไปที่ปรากฏว่าหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อพูดภาษาเมืองเลยอยู่ภาษาอีสานฟังไม่รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็เลยหลวงพ่อก็เลยเอาหลวงพ่อคำเขียนแก้วจันดาเนี่ยไปเป็นไปเป็นร่างภาษาแปลภาษาเลยภาษาอีสานให้เป็นภาษาไทยก็ฟังกันออกฟังกันออกตอนนั้นมายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะ แต่ด้วยที่สืบมาว่าออหลวงพ่ออาจารย์กุยเอ่หลวงพ่อเทียนเพราะอะไรตรงนี้พระอาจารย์ท่านเล่าบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเพราะเขาจัดการประชุมทางด้านศาสนาคริสต์อิสลามพุทธเนี่ยขึ้นที่วัดชุมทานก็มีการบรรยายทํากันท่านก็ไปแอบฟังนะอันนี้อาจารย์กิยท่านเล่าท่านก็ไปแอบฟังหลังจากบรรยายเสร็จลงมาเรียบร้อยแล้วลงมา ท่านบอกว่าท่านประทับใจการพูดของโตอิหม่ามองผู้อิสลามชื่อคุณวินยัยอะไรอย่างเนี้ยสมัยสมุนจาไม่ได้ทีนี้ก็ไปถามอาจารย์กวิดว่าฟังของท่านเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านรู้เองหรือจํามาหรืออ่านมาถามก็นอย่างนี้เลยนะโบว์พระเทียนไปถามอย่างนี้เลยอาจารย์กวิดก็งงจู่ๆหลงตาที่ไหนมาถามแบบนี้ซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงแต่จูๆๆๆ่ๆเจอคําถามแบบนี้ช่าง ง, ง ท่านก็พูดไปตามมารยาทอ่ะทีนี้โอกาสได้พบกันบ่อยๆว่างั้นพบกันบ่อยๆก็วันหนึ่งหลวงพ่อไปถึงที่ห้องก็ถามพเจักุลวิทว่ า, ววาท่านจำได้ไหมว่าคำแรกที่สุดที่พ่อแม่สอนสิ่งดีๆเนี่ยคำแรกที่สุดเนี่ยสอนตั้งแต่เมื่อไหร่จันกุวิทนึกไปนูมาก็จำไม่ได้ตอนนี้อายุท่านเท่าไหร่สี่สิบปีครับ แล้วได้ข่าวว่าตามได้ข่าวว่าท่านเป็นผู้ชํานาญในพระไตรปิฎกอยากจะทราบว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากพุทธปฏิปันมาแล้วเนี่ยเป็นเวลากี่ปีถึงมีการจารหรือจารลึกลงในพระไตรปิฎกท่านเกิดทราบเป็นยิงนงดีบอกว่าประมาณ450ปีได้จารลงในพระไตรปิฎกหลวงพ่อก็พูดขึ้นทันทีว่าคําสอนของพ่อแม่40ปีท่านยังจําไม่ได้เลย แต่ที่450ปีมันกี่ชั่วคนวะกันนะ45ชั่วคนเลยจ้ะอาจารย์กุวิทก็งงว่าท่านแน่ใจได้ยังไงพระไตรปิฎกที่จันมาเป็นเวลา450ปีพามาแล้ว450ปีแล้วจาก450ปีจนถึงปัจจุบันนะ่ะพศ2518เนี่ย 2,000 กว่าปีใช่ไหมท่านแน่ใจได้ว่าพระไตรปิฎกนั่นถูกทั้งหมดเพราะท่านรู้ว่าอาจารย์กุวิทท่านจะชำนาญ น, นะทรื่องพระไตรปิฎกเรื่อว่าตูุพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ อาจารย์ก็บอกว่าคําพูดคำนี้กระทบกับความรู้สึกของท่านอย่างรุนแรงว่าเป็นจริงว่าคําสอนของพ่อแม่แค่40ปีได้จําไม่ได้แล้วแต่นี้นอกจากผ่านมา450ปีถึงมาเขียนลงแล้วจาก450ปีจนถึงปัจจุบันใน 2,000 กว่าปีเราจํากันแล้วก็สอนกันเป็นเรื่องเป็นราวว่านี่คือพระพจน์แล้วใครจะมากล่าวถูอว่าไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมตรงนรกขนาดนั้นเลยหลายๆอย่างท่านนํามาเล่าให้ฟัง ทีนี้เอามาก็ น, นึกถึงว่าเอท่านพูดถึงหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเป็นใครก็มาถามข้อมูลต่างๆพระอาจารย์ภัยบุญที่วัดที่ติดตามท่านไปบอกว่าหลวงพ่อเทียนขนาดนี้ปี2018ไปออกไปอยู่ที่วัดสวนแก้วปีหนึ่งเกอามาพบหลวงพ่อเทียนปีหนึ่งเกอาไปอยู่วัดสวนแก้วที่ท่านเจ้าคุณพยอมอยู่ทุกวันนี่นะ เ, เพราะว่าตรงนั้นเป็นวัดร้างก่อนที่จะไปอยู่วัดร้างเพราะว่า พอออกพรรษาแล้วนี่ท่านก็จะกลับมึงเลยทีนี้ทางอาจารย์สมทรงบุญยฤทธิ์ที่เป็นผู้นำนักศึกษาวิบวัก็ทราบข่าวว่านักศึกษากําลังสนใจเรื่องภาวนาที่แปลกๆแบบนี้อาการเคลื่อนไหวแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ก็เลยไปขอร้องหลวงพ่อปัญญาอนุท้าว่ามีที่ที่ใดบ้างที่จะพอเป็นที่พักพิงที่จะสอนปฏิบัติได้ ที่อำเภอบางกลวยเนี่ยมันมีวัด อ, อ, อันนั้นบางบัวทองนะที่วัดไอ้ส่นแก้ววัดร้างอยู่ที่อำเภอบางบัวทองแห่งหนึ่งที่วัดไอ้ส่นแก้วแล้วอีกแห่งหนึ่งคือวัดสนามในที่บางกลวยเพรางั้นนั้นไปที่ส่นแก้วก็ได้ไปวัดศ่นแก้วหลวงพ่อก็เลยไปอยู่ที่นั่นโดยลูกศิษย์ลูกหาไปช่วยกันทําอุติทําเล่งต่างเพราะฉะนั้นในปีนั้นอนาก็เลยไปตามหลวงพ่อเทียนที่นั่นที่วัดศ่นแก้ว ปรากฏ ว, ว่าไปพบท่านซึ่งเรื่องนี้ได้กล่าวไปครั้งก่อนแล้วไม่ต้องซ้ำอีกก็ได้เนาะนผ่านๆไปนะไปพบที่นั่นแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ปีนั้นพระอาจารย์พยอมออกจากศวนโมกเพื่อที่จะมาจัดกิจกรรมบุญเนนภาคดูลร้อที่บ้านท่านอำเภอบางบัทองก็ปรากฏ ว, ว่าเนนเป็นร้อ200รปรากฏ ว, วัดศวนเกี๊ยไม่สงบแล้วหลวงพ่อบอกองั้นกลับอิสานแต่เขาก็มาขอร้องอีกหลวงพ่อคําเขียน ลูกศิษย์แล้วก็อาจารย์ทองล้วนซึ่งตายไปแล้วเป็นลูกศิษย์ตุ ต, ต้นของท่านก็เลยมาบุกเบิกวัสนามในแล้วนิมนต์หลวงพ่อมาอยู่วัสนามในจนกระทั่งวัดสนามในพัฒนาจนมาถึงทุกวันนี้ดังนั้นที่นั่นก็เลยอาจารย์กวิทก็เอามาก็เจอแต่ท่านก็ตามมาที่วัสนามในด้วยในปีต่อมาแล้วก็อาจารย์กวิทก็อธิบายขยายภาษาคําพูดของหลวงพ่อนักศึกษาปัญญาชนสมัยนั้นที่มาติด รถไปเป็นปนนระจำเค่อาจารย์วีภาวิไลยนที่จุลาก็ปรากฏว่าปีต่อมาผมาก็เลยตามเข้าไปปฏิบัติด้วยในปีพบพบท่านในปีสองห้าหนึ่งแล้วก็ไปฟังคำไหนที่หลวงพ่อพูดแล้วไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์กุลวิ์อาจารย์กุเย์อธิบายดัยงนั้นท่านเลยเป็นครูคนที่สองที่ ว, ว่าขยายภาษาปิศนาของหลวงพูเรียนให้เข้าใจนะ พอปี2520ก็เลยไปไปอยู่ที่วัสดสนามในด้วยก็เรียนมหาจุฬาอยู่ก็เลยเข้าไปหาท่านบอกว่าหลวงพ่อผมรู้สึกว่าผมจะต้องทําเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ว่าผมมีปัญหาว่าต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเรียนหนังสือสอนหนังสืออะไรที่วัดไปยุ่นเยอะแยะเรียนมหาจุฬาสอบนั่นสอบนี่ก็เลยบอกว่าไปถามมาจากครูคบาอาจารย์ท่านอื่นก็บอกว่าอือออกก็ดีก็เรียนมาเรียนตัวเองดีฝานะอยู่ปี2 พอไปถามหลวงพ่อเทียนบอกว่าไม่ต้องออกเรียนไปอย่างงี้แหละอย่างน้อยได้ใบปริญญามาเนี่ยจะเป็นยันกันหมาได้เอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นเลยหลวงพอ่อยันกันหมาได้สู้เรียนให้จบก็เรียนไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เราเตรียมตัวสอบปลีนักธรรมอะไรต่างๆนี่ะมันก็เวียนหัวเนาะปฏิบัติก็อยากปฏิบัติได้เราซื้อสอบก็จะสอบหลายๆวิชาพร้อมๆกันก็เลยถือหนังสือเนี่ยเข้าไปใน ในสวนผู้เรียนซึ่งมันเป็นในกระตอมเล็กๆก็ไมานั่งอ่านไม่รู้เรื่องเลยระหว่างหนังสือแต่ก่อนหน้านั้นจะมานั่งสร้างจังหวะนี้ไว้ได้นะอายเพราะอะไรเพราะเคยเรียนอนาปนาสตินั่งสงบนับลมหายใจแล้วต่อมาไม่ได้ผลก็มาเรียนวัดมหาธาตุยุคหนอกฟังหนอตามลมหายใจเข้าออกแต่มายกมือนี้ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่กล้าทํำในที่สาธารณะใช่ไหมก็เลยพออ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยแอบทำ ยกมือเนี่ยสักห้านาทีปรากฏว่าไอ้สิ่งที่วุ่นในหัวเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะหายหัวโล่งเลยก็นั่งทำต่อจนถึงเย็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการสร้างจังหวะเร้่เริ่มขึ้นแต่ว่ายังติดเดินจงกรมอยู่โดยจงกรมยังเดินช้าๆของจังหวะเหมือนวัดมหาธาตุนะยกหนอย่างหนอลงหนอแตะหนอเหยียบหนอก็ทำอย่างนี้ทีนี้ ตอนนั้นไอ้ดอนกลางที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์ธรรมชาติของวัดสนามในในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นป่าหอยเราก็เดินกันเป็นล่องเขาเอาดินไปเอาทรายไปถมมาเดินสบายขึ้นก็ไปเดินจงกรมที่ตรงนั้นอะทุกวันถ้าช้าอย่างนี้วันหนึ่งท่านเลยเข้าไปถามถ้าหากว่าสัตว์ร้ายมาหรือขมังขโมยเขาไล่ยิงกันมาถ้าเธอจะมาเดินอย่างนี้จะหนีทันไหม บอกว่าทำามไม่ทันแล้วทําไงก็วิ่งไงเธอามาเดินอย่างนี้กับกรรมาฐานนี่ไปมันจะไปทันกันไงมันช้าไม่ทันกันพให้เดินให้ปกติพวิ่งได้ก็วิ่งพวเดินได้ก็เดนินก็เดินปกติก็เริ่มปรับมาเรื่อยขอรับว่ายากรับได้ยากมากเพราะเราเรียนบาลีเรียนปริยัติไอเด่นต่างมาแล้วก็หลอสอนแบบไม่มีไม่มีเหมือนไม่มีในหลักปริยัติเลยก็เลยทําแบบลังเลทํำลังเลๆต่อมา ก็ปรากฏว่าจนจบแล้วการไปมาหาสู่กับอาจารย์กุวิตต่อมากา็ท่านก็มีปัญหาสมัยนั้ น, นใช่ไหมถ้าใครมีนักอิสราปัญญาชนไปขึ้นเยอะๆถ้าเป็นผู้นำทางาความคิดสติปัญญาเนี่ยก็เป็นที่เพ่งเล็งเพราะนั้นต่อมาที่อาสมนวชิวันที่นครนายกก็ถูกกันแกล้งว่ากลุ่มทอสอปอชกลุ่มลูกเสือชาวบ้านอะไรไป อถูกใส่ความว่าว่านี่เป็นกลุ่มฝักไฟฝ่ายซ้ายบ้างฝักไฟคอมมิวนิสต์บ้างเพราะว่าท่านพูดไม่เหมือนใครใช่ไหมการวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองก็มีอยู่บ้างก็ปรากฏว่ากลุ่มคนชาวบ้านที่ถูกปลูกดังด้านนี้ก็ไปกันแกล้งไปลุกขึ้นที่ไปเผาป่าเผาพุตติอะไรต่างในที่สุดท่านก็เลิ่ออกมาจากที่นั่นแล้วก็ไปหาที่ตั้งใหม่ทีนี้อามาในปีต่อมาก็เลย จบมหาจุฬาในปีสีก็เขามีพันธะกรณีว่าผู้ที่จบมหาจุฬาแล้วต้องไปปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยสองปีมาก็เลือกไปอยู่ที่สงขลาเพราะท่านไปตั้งอาสมนวชีวันใหม่อยู่ที่สงขลาที่อำเภอระโนดเจดี JD งามนะแต่ว่าที่ตั้งคือชายทะเลใช่ไหมเอามาก็ไปตั้งอาสมอยู่ที่ชายทะเลเหมือนกันแต่ว่าอยู่ทางระโนดพ่อไปสอนหนังสือก็ไปมหาสู่กันตรงนั้นอันนี้ความเกี่ยวพันระหว่าง ครูคนที่สองคืออาจารย์กุวิเนะี่ยท่านแนะนำท่านชี้แจงอะไรต่างๆมาก็เกี่ยวพันกันมาตลอดหลังจากจบมหาวาิยาจบพันธกรณนะีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ด้วยการงานทำให้เราเหินห่างกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาได้รับนิมนต์ไปสร้างวัดอยู่ที่อเมริกาก็ต่อมาท่านก็ไปได้รับนิมนต์ไปเชิญไปบรรยายธรรมอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็แวะไปที่นั่นอสองสาครั้ง อยู่ที่ป่าพุทธยานันทารามก็ได้ได้คุยกันก็ต่อมาจากนั้นไม่นานก็ไม่ได้ติดตามท่านดูก็ได้ข่าวว่าท่านาไม่สบายตัวนั้นนะท่านศึกแล้วนะศึกตอนที่ไปเผยแพร่คำหลวงพ่ออยู่สิงคโปร์ปี2425นะกลับมาทุานก็ศึแล้วก็ช่วงที่มาไปจัดอยู่ทางอเมริกานี่ก็หลายปีท่านก็แวะไปเรื่อยๆซึ่งความสัมพันธ์ น, นี้ทําให้อ่า เราได้เส้นทางของพ่อเทียนเพราะการแนะนําของท่านเอามาหลังจากติดตามหลวงพเทียนก็ด้วยความลังเลแหละทำด้วยความลังเลเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยการยกมือเพราะไม่รู้กี่ศตวตรรษกี่ศตรวตรรษมาแล้วเนี่ยกรรมฐานจะต้องเป็นยังไงหลับตาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงใช่ไหมดำรงสติมั่นตาม บทพระบาลีในกายานุปัสสนาว่าตั้งกายตรงดํารงสติมั่นกําหนดลมหายใจเข้าออกที่ข้างว่าอาสันโัทีเครื่องอาสาสมีติอาระซังว่าอาสันตัวระซังอาสาสมีติปัจจัยนาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าหายใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้ก็จะเป็นอย่างนี้ตามสูตร อ น, นาปนาสติสมุปแต่อันนี้หลวงพ่อพาเดินจูงกลมแบบจะว่าหน อ, อก็ไม่ใช่แต่ไปยกมือรัสมีที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็เต็มไปได้วยความสงสัยต่อมาหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อบุญธรรมที่เป็นศิต้นของหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเปิดอบรมเผยแพร่ทางให้สาลอามาก็มีโอกาสได้ไปช่วยไปตามฟังลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้พูดได้อธิบายเริ่มแจ่มชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุด ในปี2519เอามาก็เลยเพราะว่าปี2527 28เนี่ยไปอยู่กลองพ่อคขาเขียนฟังท่านอธิบายแล้วเข้าใจง่ายาไปปฏิบัติกับท่านอยู่ที่ป่าสโกโดพอออกจากนั้นมาก็มาเก็บอารมณ์ปี2519กลองพ่อที่วัดเลยหนึ่งพรษาเนี่ยทำปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวในปีนั้นนะ ลงตัวในปีนั้นทุกอย่างมันมันบอกไม่ถูกว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองนะทุกอย่างมันเบาไปหมดที่จะเบาจําได้ว่าหลังจากออกพรรษาปี2529 25, ขาสองเกอออก เ, อเก็บอารมณ์ที่นั่นแล้วออกพรรษาแล้วจะไปเก็บอารมณ์ต่ออยู่ที่วัดฝ่ายสุขโตที่ตัวเองเคยอยู่จําได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่11พฤศจิกายนพศสอ2ห้าเวลาบ่ายสองโมงตัวเองเก็บอารมณ์อยู่ที่หอไตร วัดป่าสุขุมมีหอไตไ่ทไปเก็บบะหลวงเช่นพอช่วงเช้าซักผ้าตาแล้วก็เดินจงกรมสร้างจังหวะไปอยู่ไ ต, ต้พุทธีหอไต่พอช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองโมงก็ไปเก็บผ้าในช่วงเอื้อมือเก็บผ้าเนี่ยมันเกิดเหมือนว่าสิ่งที่เร า, บาแบก่าหนักที่สุดมันหล่นตกลงไปมันวูบไปแล้วมันเหมือนกับการตื่นขึ้นมาความปรากฏการตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ย 2529ปัจจุบันนี้เท่าไหร่2ี 29, 29 2> ปี29ปีเนาะมันมันคงอยู่นั้นตลอดเลยไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้นก็เลยไม่ลังเลสงสัยตั้งแต่นั้นมาก็เลยออกเก็บวิเวกเรื่อยๆ293031หนึ่งก็ออกเก็บวิเวกแล้วก็ออกอบรมปฏิบัติกับครูบาอาจารย์จนกระทั่ ง, งพ่อมรณาภาพก็มาทำสำนักอยู่ที่วัด ป่าชายมงคลอำเภอบ้านแทนจังหวัดชยยายภูมิอันนี้คือเกี่ยวข้องในเบื้องต้นกับอาจารย์กวิทที่แนะนําให้รู้จักหลวงพ่อเทียนแล้วกว่าจะตามเส้นทางหลวงพ่อเทียนได้ไม่ใช่ของง่ายเลยแต่ว่ามันมีการเริ่มต้นเพราะว่าเราพยายามศึกษาในเรื่องอานาปนานสติทุกแบบไม่ว่ า, านับลมหายใจอนาปนานสติยุคหนอของหนาะพุโทโธทําแล้วเนี่ยมันไปติดไปติดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่ดีแต่ว่าอีซีแล้วมันอ่อน พอสติสัมยักของเรามันอ่อนแต่ว่าอาณาปณ ะ, ะสติก ร, รมฐานทุกระกูลเนี่ยมันเป็นมุงกุฏกรรมฐานคือมาฐานชั้นสูงชั้นเยี่ยมถ้าอีซีคือความเข้มแข็งทางจิตใจเราไม่พอศรัทธาวิรยะสติสมาธิปัญญาเราไม่พอเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดำรงไ อ, อตัวรู้สึกตัวกาลมหายใจได้ตลอดมันก็จะมีอารมณ์ออื่นเข้ามาแย่งชิงไป เสร็จแล้วก็จะไปกับความคิดไปกับอารมณ์ไปกับนิวรณแล้วแล้วลๆอย่างงีแแแ้แต่พอมายกมืออย่างนี้เออมันรู้สึกสบายรู้สึกสบายแล้วก็มาตรวจสอบเมื่อก่อนนี่เราจะตามลมหายใจเวลาความคิดเข้ามาดูเหมือนว่ามันคนละเรื่องเลยนะก็ไปกับความคิดทั้งหมดไม่เห็นความสัมพันธ์สติที่เราสั่งสมมากะลมหายใจว่าเมื่อมีอารมณ์อะไรก็ตามที่มากระทบ แล้วเราเข้าไปรู้ได้อย่างไรเนี่ยความรู้ชนิดไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดเลยมันก็จะคิดไปเขาเรียกว่าปุญญาพิสังขันคิดแต่เรื่องดีๆนะจิตของเราเปลี่ยนจากคิดที่เรื่องมันไม่ดีก็ไปคิดแต่เรื่องดีพอมาหมดเรื่องดีปั๊บมันก็เป็นเรื่องฟุง้งซ่านนะเพราะเรื่องที่ไม่ดีมากระทบมันก็ไปไม่ดีก่อนอพอได้สติกลับมามก็ไปคิดแต่เรื่องดีแต่ว่าไม่ได้บอกว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรในวิธีอานาปะนะสติทุกสาย แต่พอมาเจอวิธีการหวงพ่อเนี่ยบอกเน้นสติตัวเดียวให้รู้สึกตัวตั้งแต่หัวจุดเท้าไอ้รู้สึกตัวยังไงไอ้รู้สึกตัวล้วก็นึกเอาเป็นความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวที่ที่ซ้อนความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวที่เรานึกขึ้นมามันไม่ใช่ความรู้สึกตัวแบบแบบที่เข้าใจตอนหลังๆนี่พอระยะหลังมารู้สึกตัวคืออะไรเราเข้าใจว่าความเย็นร้อนอ่อนแข็งเพ่งตึงเนี่ยก็คือเวทนา ไม่ใช่สติใช่ไหมคือเวทนาก็าเริ่มโยงเข้าไปสู่สติปัฏฐานว่าในสติปัฏฐานตอนหลังมาก็ามาเริ่มวิจัยในวิธีการหลวงพ่อเทียนว่าวิธีการเคลื่อนไหวแบบสติปัฏฐานขอวงพ่อเทียนกับสติแบบฐานในในตำราเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงเพราะในฐานะตัวเองเป็นนักศึกษาด้ยเรียนบาลีมาด้วยก็เริ่มแมทเริ่มาหาความลงตัวระหว่างตำรากับ สภาวะพระหลวงพ่อท่านสอนสภาวะล้วนให้รู้สึกตัวอย่างเดียวแต่ว่าเราตีไม่ออกวความรู้สึกตัวท่ทานพูดหมายถึงอะไรเพราะความรู้สึกตัวมีสองระดับหนึ่งความรู้สึกตัวที่เป็นกายเขาเรียกวิทนานะเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงก็เราก็รู้สึกตัวกับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เขาเรียกเวทนาไม่ใช่เรียกสติแล้วความรู้สึกสติเป็นยังไงฟังไปฟังมาว่าเวลาเรานั่งนานๆเนี่ยเรารู้สึกหนักปวดเมื่อยใช่ไหม โดยธรรมชาติของเราจะเป็นยังไงแล้วก็จะพลิกใช่ไหมขยับที่ส่วนใหญ่เวลาเราขยับเคลื่อนไหวเนี่ยมันหมายถึงการบําบัดทุกเวทนาใช่ไหม บ, บําบัดทุกเวทนาความรู้สึกว่าขณะนี้หนักเบาสบายไม่สบายแล้วขยับตัวนี้คืออะไรเราเริ่มวิเคราะห์เข้ามาตัวนี้คือความรู้สึกที่เป็นสัญชตาตญาณเป็นสติอันหนึ่งใช่ไหมว่าเรารู้เป็นมันมันเคลื่อนไหวแบบสัญชตาตญาณ ตัวสัญชาติยานนี้เองมันก็เลยกลายเป็นสติสมัจฉญแบบสัญชาติยานหรือ่สาสติสมัจฉญาแบบสามัญชนทั่วไปอย่าว่าแต่คนไม่แต่สัตว์มันก็ยังมีใช่ไหมการน้ำวัดระวังการกลัวภัยการอะไรต่างๆมีเหมือนกับคนแต่ว่าสาติอีกระดับหนึ่งที่จะเป็นตัวสติที่แท้จริงเนะี่ยคืออย่างไรสมมุติเรารู้สึกหนักตั้งมือแล้วจะเปลี่ยนและขยับใช่ไหมแต่พอตัวสติที่เป็นสติประฐานบอกว่า คัดชันโตวาคัดชามีติปชานาติเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดๆว่าเดินอยู่เขาว่าปชานาตินิสินโนวานิสสนโนมหีติปถิเมื่อนั่งก็ให้รู้ชัดๆว่านั่งก็มาตีโจทย์ใหม่ว่านั่งชัดๆแล้วก็รู้ว่านั่งอยู่จะชัดแบบไหนอีกไใช่ไหมสยานโนวาสยานโนมหีติปชานาติเมื่อนอนก็ให้รู้ชัดๆว่านอนปรากฏว่าดูไปดูมา คำว่าประชานาติรู้ชัดหมายถึงว่าอาการภายในเนี่ยคือเวทนาเนี่ยมันเป็นอย่างไรมารู้ทีหลัง น, นะนี่อันนี้มาู้ทีหลังแล้วพอมาบทกายานุปัสสนบทที่สองท่านบอกว่าอาภิกันเตปฏิกันเ ต, นเตสัมปชญญากาเรหติเมื่อก้าวไปข้างหน้าให้รู้ก้าวไปข้างหน้าเมื่อถอยกลับมาข้างหลังแล้วก็ถอยกลับแบบนี้ใช่ไหมที่เราค้นกัน แต่เพราะว่าปฏิกันเตมันไม่ใช่ถอยแบบแบบนี้ถ้าสามินมิก็เดินหน้าเรื่อยไปใช่ไหมถอยกลับมันน่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยวิเคราะห์ไปแก้ไปแก้ไปถ้าระวางเดินไปข้างหน้ากับเดินถอยกลับแบบนี้มันมีความแตกความรู้สึกแตกต่างกันไหมตรงนี้ท่านไม่ใช่สัมไม่ใช้ประชานาติท่านใช้คําว่าสัมปัญชานัการีอ๋อทำให้รู้ทั้งหมดตังด้งแต่หัวจุดเท้า ระหว่างสัมปชัญกะลีตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงหัวเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างอันนี้สัมปชัญญกะลีแต่ถ้าเป็นตัวให้รู้ชัดประชานาติให้นั่งอยู่รู้ชัดชัดว่าไอ้ตัวที่เรานั่งทับลงไปแล้วมันเริ่มขยายไอ้ตัวหนักขึ้นมาเนี่ยมาถึงไหนแล้วอยู่ในระดับที่เราจะเปลี่ยนได้แล้วหรือไม่นี่คือรู้ชัดแต่ถ้าเราเปลี่ยนโดยที่ไม่รู้ชัดเราเรียกว่าสติที่เป็นสัญชตาตญาณสติระดับแรกเรียกว่าสติชั้น ชั้นแรกของสัมภัสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นทุกคนมีสติระดับนี้อยู่แล้วโดยสัญชตาตญาณแต่เมื่อมาจับหลักพเทียนได้ก็คือเอาตัวสติสัญญาเพียงแต่ตั้งใจรู้นิดหนึ่งว่าเราจะขยับก่อนที่เราจะลุกนะในขณะที่เราลุกเราจะเห็นถึงความหนักเป็นไงคลายใช่ไหมแล้วความเบาก็ปรากฏเพราะความเบาปรากฏการที่เข้าไปรู้กันหายไปของความ หนักและการเกิดขึ้นของความเบานี่เขาเรียกว่ารู้ชัดโอ้เริ่มจับหลักได้ตอนหลังมาก็มาซักซ้อมเรื่องนี้ซ้อมไปซ้อมมาซ้อมไปซ้อมมาความหายสงสัยในหลักการขอัฏฏเหียนกับวิธ uh ีการก็เลยหายไปด้วยเพอหลักอันที่สามบอกว่าสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมบชานกกาลิโมติเมื่อเหยียดเอามือเข้าปลาสาลิเตเอามือออกเหยียดมือออกเอามือเข้าเวลาจะไปจับแล้วเหยียดมือออกใช่ไหม ก็ดึงเข้ามาอามือเข้า เ, เหยียดออกอันนี้คือวิธีการที่หลวงพอ่อฤาษีนำมาลําเลียงเสื้อใหม่ให้เป็นจังหวะให้เป็นจังหวะคูขเข้าเหยียดออกเนี่ยสำมิญชีเตก็คือเอาเข้ามาปาสายเล็กๆคือเหยียดออกเอามาเรียบเรียงเสื้อใหม่ให้เป็นเป็นจังหวะนะข้างและเจ็ดเอามาก็นึกต่อไปว่าเออพระพุทธเจ้าเวลาท่านประสูตรประสูตรนี่นะออกจากท้องแม่มานะเดินได้เจดเก้า ถตามปกติเด็กทั่วไปเดินขึ้นม า, เ, าเกิดมาแล้วว่าเดินเนี่ยถือว่าปกติไหมผิดปกติอันถือว่าเป็นโปรโมทศาสดาของตัวเองนะแล้วขณะที่เดินนี่ไม่ใช่เดินธรรมดานะีมีดอกบัวไปไงผุดขึ้นมารับด้วยยิ่งยิ่งหนักเข้าไปอีกอเอ๊ะเป็นยังไงกันแน่ในฐานะที่เราศึกษาหลวงพ่อพุธธทธทาสมาแล้วภาษาคนภาษาธรรมใช่ไหมทำภาษาที่เป็นพุคลาธิฐานเนี่ย personalization ให้มาเป็นเรียลเรียลทีี่หือให้เป็นปรามัตดก็เอเป็นเรียลไอเซชันก็ถ้าอย่างนั้น 7-9 เนี่ยเวลาเรารุกมันมี เ, เวลายกยกสร้างจาังหวะมันมี7รู้ใช่รู้ที่1รู้ที่2รู้ที่3รู้ที่4รู้ที่5รู้ที่6รู้ที่7แต่เนื่องจากเราเดิน2ขาใช่ไหมมันก็รวมเป็น 14 14่รู้ทีนี้ในแต่ละรู้เนี่ยเรารู้ว่าตัวนี้เป็นตัวสภาพสติสัมยาได้อย่างไรในขณะพลิกเนี่ยมันมีอยู่สองจังหวะจังหวะอะไรจังหวะหยุดกับจังหวะเคลื่อนใช่ไหมการเข้าไปรู้หยุดรู้เคลื่อนมันก็เป็นจังหวะที่สัมผัสสัมพันธ์กับการเกิดของจิตเพราะจิตมีสองขณะคือขณะเกิดกับดับใช่ไม เพราะ น, นั้นเวลาเคลื่อนมันควรจะเป็นเกิดหรือเป็นดับเวลาหยุดมันควรจะเป็นเกิดหรือเป็นดับก็เริ่มเจาะเข้าไปเวลานั่งหนักเนี่ยมันเกิดหรือมันดับอความสบายหายไปความไม่สบายเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นเกิดเวลาลุกขึ้นไอ้ความหนักหายไปไอ้ความเบาเกิดขึ้นมันก็น่าจะเป็นดับอ๋อตรวจสอบไปตรวจสอบมา ไปลงตัวกันหมดเลยกับคำสอนพระพุทธเจ้าตั้งแต่มาหายสงสัยเลยทำแบบไม่ไม่มีกังขาไม่มีข้อสงสัยเมื่อเราทําแบบไม่สงสัยจิตมันไปได้ไวมากเลยทีนี้แต่ทุกวันที่มันช้าเพราะเราทําด้วยความสงสัยพ่อโยมยังไม่มีหลักของปริยัติใช่ไหมมันก็ไม่มีตัวเทียบก็เชื่อตามพระอาจารย์บอกบ้างเขาบอกว่ามันดีอย่างนั้นเราก็ทําตามไปแต่มันทําด้วยความสงสัยแต่อันมาผ่านมาทั้งหลักปริยัติก็ผ่านมาแล้วจะมาทําด้วยความกังขาถ้าหาคําตอบไม่ได้เนี่ย มันไม่ได้แต่หาคําตอบจากครูบาอาจารย์ก็ไม่ชัดเหมือนเราหาคําตอบเองทําไปหาคําตอบไปทําไปหาคําตอบไปจนกระทั่งว่าโอ้สิบสี่จังหวะอ่าต่อไปนี้จะแยกกลุ่มแล้วนะแยกกลุ่มว่าสําหรับผู้ใหม่ขอยกมืออีกครั้งหนึ่งให้ข้างนอกไม่ทราบ ว, ว่าไอเลียเราว่างไหข้างหน้าพระยังว่างอยู่พิมพ์ ก, กิจกรรมไหมไม่มีนะฮะ ข้างหน้านี้นะข้างหน้านี้ก็จะให้พระอาจารย์มหาภัยเนี่ยนำผู้ใหม่ทั้งหมดไปสาธิต เ, เรื่องการสร้างจังหวะให้เป็นเดิจุกรมให้เป็นนี่มูลพระอาจารย์มหาภัยครับท่านผู้ใหม่ทุกคนขอขอโทษที่ต้องบอกว่าลุกขึ้นแล้วก็ตามพระอาจารย์ออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งสร้างจาวะเอาอาสนะด้วยอาสนะไปด้วยหน้าพระน่าจะกว้างอยู่นะพระอาจารย์อภัย เดี๋ยวพอรายการข้างล่างเริ่มเอามาจะโยนเรื่องนี้ให้พระอาจารย์นจรรยาแต่นั่นมาขอต่อให้ให้เรื่องให้จบก่อนแต่สําหรับผู้ใหม่เข้ามาฟังทีหลังต่อก็ได้จะเรื่องเนี้ยมันไปถึงไหนนะแต่วิเคราะห์ให้ฟังจุูนี้ถ้ามากกว่านี้ผู้ผู้ใหม่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วแต่สําหรับผู้ที่เคยมาปฏิบัติแล้วเนี่ยจะรู้เรื่องที่จะสื่อต่อไปนี้นะนั้นขอผู้ใหม่ทุกท่านไปฝึกการสร้างจังหวะโดยจกรมข้างนอกให้ให้เป็นซะก่อ น, นท่านเอฟ ไปช่วยจันทร์ภัยด้ไม่รู้ที่พอหรือเปล่านะหน้าถ้าไม่พอก็แด่งไปสองชุดนหน้าพระชุดหนึ่งด้านนี้ชุดหนึ่งท่านเอเออกไปช่วยนะทีนี้เรื่องที่จะพูดต่อไปเนี้ยสาหรับคนที่มีประสบการณ์ในวิธีการเคลื่อนไหวมาแล้วจะเข้าใจได้ง่ายแต่สําหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนฟังไปก็อาจจะสับสนคือจากจากที่เราเทียบดูแล้วว่า อาณาตัวกายานุปัสนาทั้งหมดมันมีอยู่กี่ชุดหชุดใช่ไหมชุดที่หนึ่งเรียกว่าอาณาปนาสติชุดที่สองอาณาปนานี่คือลมหายใจคอ อ, อันแรกเลยนะชุดที่สองเรียกว่าอีนิบทสนะคือยืนยืนเดินนั่งนอนให้รู้ชัดชุดที่สเรียกว่าสัมปจัญญะป ะ, พ, ะพับตาอ้าปากหายใจเหลว้ายแหลกข ว, วาก้มเงย เหยียดมือเหยยดเท้าเข้าห้องน้ำซักผ้าซักเสือ้อล้างถ้วยล้างชามทำกิจกรรมอะไรต่างๆอันนี้เป็นอันที่สให้มีสติสัมยัญญะในอันนี้ด้วยชุดที่4ชุดว่าวเรื่องของอาการ32ในตัวข้างเรามีมอะไรสามส32ชิ้นใช่ั้ยชิ้นแรกคืออะไรรู้ไหมเกษาโลมานาขาเน่นะเป็นชิ้นเป็นชิ้นมีอยู่32ชิ้นท่านบอกให้พิจารณาอาการห้องมันแต่พอมาเรียนรู้ในแง่ของเสภ เรากลไปแยกใช่ไหมผมไปอย่างนี้ขนไปนีเล็บไปนี้ตับใจใส่คุมกระดูกเหงื่อน้ําเน่าน้ำหนองน้าเสลต์น้ํามือกน้ําคูดอะไรต่างแยกออกมาเป็นส่วนทั้งหมดอันนั้นก็เรียกเป็นสมถะแต่ในท่านในศัพท์ท่านใช้ว่าทวตดติงสาการคืออาการสามสิบสองเนี่ยเอาอาการของมันท่านทั้งหลายพอจะทราบไหมว่าเมื่อรวมอาการสามสิบสองในอาการในตัวของเรามีกี่อาการรวมกันแล้วในอาการสามสิบสองมันจะเหลือ อาการหลักๆกีออาการแฟนขับมาแล้วอาจารย์วาลุนีคนุโมทนาสาธาุเรียกอาจารย์ยิงเคยสำรวจมาเหลือขีอาการอาจารย์ในอาการส2ยสองยที่สุดให้เหลืออาการน้อยที่สุดท่านใดพอจะตอบได้เป็นคนคนเคยประเดี่ยวแบบมาแล้วเนี่ยต้องได้คุณหมอวิชัยฮะสาม เด็กียากันสองคืออะไรน่าจะเหลือแค่สองคือหนักกับเบาเข้ากับออกสบายและไม่สบายพอใจและไม่พอใจในสติปัฏฐานสูตรท่านสรุไปไว้ว่าอาตาปีสัมปชานโนสติปมาวินัยโลเกอวิชาโทมนัสสัง เมื่อจเจริญสติอย่างนี้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วมันจะตัดอาการได้สองอาการอาการอะไรโทรมนัส อ, อ, อภิชาความพอใจโทมนัสความไม่พอใจใช่ไหมทีนี้อาการเฉยๆอาการอย่างอื่นท่านพูดแต่มีแค่สองอาการดังนั้นเวลามาปฏิบัติวิปัสนาท่านก็เลยให้มีความขยันให้รู้เท่าทันสองอาการนี้แค่นั้นเอง อาการทางกายจะมีแค่สองคือหนักหนักนานๆนำไปสู่อะไรสบายหรือไม่สบา ย, บายไม่สบายไม่สบายนําไปสู่อะไรการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวใช่ไหม<ส>การเปลี่ยนเมื่อกี้ได้กล่าวว่าเมืเ่อกี้าการเคลื่อนไหวเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นเกิดใช่ไหมการหยุดเป็นดับสมมุตินะนี่โดยสมมตุติดังนั้นมันจะมีหลักอยู่แค่สองแค่นั้นเอง ตามหลักของการเกิดและการดับของจิตจิตมีการเกิดการดับจึงเป็นจิตได้และในการเกิดการดับของจิตนี้ถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะในการตามรู้การเกิดดับนั้นก็เป็นการเกิดดับของวิชาหรืออวิชาเป็นของวิชาโดยตลอดนั้นคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าการเกิดดับแต่ละกษณะเราจะไปรู้การเกิดดับขั้นสูงสุดเนี่ยโดยที่ไม่รู้การเกิดดับหยาบๆของกายเนี่ยเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปรู้สูงสุดซึ่งเป็นยานที่สองของพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีแค่สยานใช่ไหมต้องสอบสวนชาวพุทธเราเสียหน่อยเพราะเราไปรู้ยาน8ยาน9้ายานสิหแต่ยานจริงๆของพทะเจ้าเป็น g i n a l knowledge มีมีแค่สองเออแค่สามคือหนึ่งอะไรปุเพนิวาสาถ้ามีกระดานามาเขียนให้ชัดเลยนะ ปุเพนิวะสานุสติยานยานที่สองคือจุตูปปตาตยานเอาคําว่าจุติมาบวกอุบัติกลายเป็นจุตูปปัตายานตามหลักภาษาบาลีคําว่าจุติแปลว่าแปลว่าตายเหมือนจุติตายและอุบัติแปลว่าเกิดแต่ในภาษาท่านบอกว่าจุติแปลว่าดับอุบัตแปลว่าเกิดคือการรู้การเกิดดับ วาระสุดท้ายของจิตแต่เราทั้งหลายเนี่ยไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านกวาท่านจะมาเจอจุดนี้ท่านเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลาอย่างน้อยกี่ปี6ปีใช่ไหมท่านบวชสองเกท่านมาร่วอายุสาสิบห้านั้นเวลาจับถูกจับผิดกับเรื่องนี้มาเป็นเวลาหปีท่านอ๋อดังนั้นเองการกําหนดรู้ลมหายใจระหว่างเข้ากับออกพอจะเทียบให้เห็นชัดได้ไหมว่า อาการหายใจเข้ากับหายใจออกวาระอันไหนคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับในแง่สมมติก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งว่าปรมัตา์เอาสมมุติก่อนสมมุติว่าการเข้ากับการออกสองสองงานนี้นะสองวาระทําไมไม่มีอารมณ์หายใจที่สามที่สี่ก็เพราะมันสอดคล้องกับความจริงมีแค่สองคือการเกิดกับดับหายใจเข้าคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับหายใจออกสมมุติคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับอา่าพิสูจน์กันหน่อย หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนรู้สึกสบายกว่าหายใจเข้าสบายหรือไม่สบายรู้สึกตึงใช่ไหมเกร็งเวลาหายใจออกเป็นไงเกิดการรีแลกซ์ผ่อนคลายใช่ไหมดังนั้นหายใจเข้ากับหายใจออกส่วนไหนควรจะเป็นเกิดส่วนไหนควรจะเป็นดับสมมุติ อย่าไปสับสนกาลังสมมติสมมติว่าหายใจเข้ากับหายใจออกเป็นเกิดและเป็นดับเราควรที่จะเอาตัวหายใจเข้าเนี่ยเป็นเกิดหรือเป็นดับอ่าชัดมีแววแล้วต้องมีแววหายใจออกควรจะเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นดับเข้ามาู้สึกสบายแต่เรากลัวตายไหม เออเออเออเออาให้ดีนะการตายคือการดับใช่ไหมทําไมเรากลัวตายล่ะแต่เออการดับของลมเข้าออกเรากลไม่กลัวใช่ไหมอันนี้เราเริ่มสัมผัสความจริงบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นความตายน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวแต่ว่าความตายควรจะศึกษาเท่านั้นเองนะดังนั้นเมื่อมาสารวจต ร, รวจสอบ การเคลื่อนไหวแต่คละขณะแต่ละขณะอันนั้นคือการเคลื่อนไหวตามวาระจิตว่าเรื่การเกิดและการดับแต่เมื่อการเกิดดับที่เป็นปรมัาททางจิตนั้นมันเป็นตัวที่ลึกละเอียดประณีตเราไม่สามารถที่จะสัมผัส ด, ด้วยสติปัญญาธรรมดาต้องพัฒนาสติสัมปชัญญะธรรมดานี้จนให้เป็นญาณระดับต่างๆถึงจะเข้าไปรู้เท่าทันได้ ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราจะควรจสซักซ้อมและพัฒนายานตัวนี้จากอะไรก็จากการสังเกตการเกิดดับของกายไปเรื่อยๆสร้างประสบการณ์ร่างกายให้เกิดเอ p e r i e n c e เกิดวสีให้ชวิตชำนาญก่อนท่านก็เลยให้มาแยกย่อยอาการของกายเนี่ยเป็นหหมวดใหญ่ๆหมวดที่หนึ่งง่ายๆคือลมหายใจเข้าออกทุกคนรู้ได้แต่นั้นบางคนบอกว่าวิธีการของพทยนไม่ได สอนเรื่องลมหายใจเลยเนี่ยปฏิเสธเรื่องลมหายใจหรือเปล่าไม่ใช่เพราะในอดีบทย่อยเนยบอกให้รู้ภาพตาอ้าปากหายใจเหลวซ้ายแรงขวาก้มเงยอยิบหยับจับฉวยในดีบทย่อยเพราะฉะนั้นการเข้าออกของลมหายใจจึงสงเคราะห์เข้าในสัมปชัญญ ป, ปัปะที่ถูกต้องแต่มาแยกเป็นอาณาปานสติเนี่ยหลายท่านยังกังขาอยู่ว่าตรงนี้ถูกขยายความหรือเปล่า ใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีหายโซสตัวอัสสติทีคังว่าอัสาสันโตทีคังอัสสสามิติประชายหายใจเข้าลึกให้รู้ทีรัชซังว่าอัสสัสสันโตรัชังอัสสามิติประชายหายใจสั้นเข้าสั้นออกยาวรู้ให้รู้แค่นี้แต่ธําราจะมาขยายเป็นอะไรขยายให้เยอะขึ้นกว่านั้นสพกายะปริสั่งเวทีอัสสสิสามีติสิกขติ ผู้ปฏิบัติถึงพึงทําความศึกษาว่าให้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเราหายใจเข้าหายใจออกปัดสัมพยังกายแสังกาลังอัสสับิติสิกดีผู้ปฏิบัติถึงความศึกษาว่าทํากายสังขารทั้งหมดให้สงบระงับแล้วตามดูลมหายใจเข้าออกเอามาดูแล้วนี่มันขัดขัดกันยังไงชอบคนนะราะหมายวิเคราะห์ทีละทีละจุดเลยนะว่าในสัมพันธ์กับความจริงอันไหนไม่จริงเพราะงั้นมั น, ม, นมันเชื่อยาก คนเรียนศึกษาปัจจุบันเนี่ยความรู้เป็นอุปสรรคเพราะว่าไม่เชื่ออะไรง่ายแต่ขณะเดียวกันก็ไม่พิสูจน์ถ้าไม่เชื่อแล้วพิสูจน์โอเคอันนั้นตรงหลักพุทธเจ้าต้องพิสูจน์เพราะพุทธเจ้าเองก็ไม่ให้เชื่อใช่ไหมตั้งการารรมสุดทั้งสิประการแต่จะเชื่อได้ต่อเมื่อเราไปพิสูจน์แล้วเกิด3มอย่างหนึ่งสิ่งนั้นทําให้เกิดกุศลสองสิ่งนั้นทําให้ละกุศลได้3ผู้รู้และบัณฑิต สันเสริญนะถ้าสามอย่างนี้พิสูจน์ให้ได้สามอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าสักงสิบอย่างนะคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อามกิสูจน์ต่อไปว่าตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดดับทั้งหมดว่าคนเราก็เกิดมาเพราะการเกิดดับแต่เป็นการเกิดดับของตัวรู้หรือไม่รู้ของตัวไม่รู้อ่าเวลาเราคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดด้วยความไม่รู้เมื่อเรา ไม่ได้ศึกษาการเกิดดับทางกายให้ชำนาญเสก่อนการที่จะไปรู้ถึงการเกิดดับทางจิตเป็นไปไม่ได้นี่การศึกษาความเกิดดับทางกายศึกษาอย่างก็คือก า, ารเคลื่อนไหวทั้งหมดตั้งแต่หัวจุดเท้าให้เหลือแค่สองอาการคือหนักเบาสบายไม่สบายหายใจเข้าหายใจออกทุกอย่างมีแค่แค่สองนี่เองที่เราเคลื่อนไหวเคลื่อน มันมีเคลื่อนอย่างเดียวอย่างไม่ได้ใช่ไหมต้องมีอะไรด้วยต้องมีหยุดด้วยอยู่นี่เป็นอาการของการดับเคลื่อนเป็นอาการของการเกิดถ้าเราดูการเคลื่อนการไหวการหยุดการเคลื่อนก็คือดูอาการเกิดดับของกายที่เรายกแล้วก็หยุดยกอาการของการเกิดหยุดเป็นอาการของการดับในการดูการเกิดดับทั้งหมดของกายแล้วดูให้ชำนิชำนานในชั้นที่หนึ่งนะ การเกิดการดับการเข้ากันออกของลมหายใจอันที่1 2การเกิดการดับของการยืนคัดชั้นตัวขัชาติมีติประชาติให้รู้ชัดๆว่าก้าวให้รู้ชัดๆว่าก้าวหยุดก็ให้รู้ชัดๆว่าหยุดนี้เรียกประชานาติแล้วคนทั่วไปเป็นไงรู้ชัดไหมท่านเดินลูกเดียวนะแทบจะไม่รู้ว่าหยุดตอนไหนนะถ้าไม่มีหยุดมันจะก้าวต่อไปได้ไหมแต่ว่าร่ายหยุดมันนิดเดียวสังเกตไม่ได้เลยเพราะนั้นเวลาในสายหนอถ้าดึงให้อยู่ชัดๆเลย แตม่มันก็มากเกินไปอีกมันไม่เป็นทางสายกลางเพราะไปในชีวิตจริงๆเราไปก้าวแบบนี้ก็ถือว่าสโต่งใช่ไหมมันเกินเพราะนั้นเออถ้าเดิมแบบสบายๆหยุดให้รู้ว่าหยุดก้าวให้รู้ว่าก้าวให้รู้ว่าหยุดให้ชัดเล้วหมุนตัวกลับแบบสบายๆพอตามทันเอาแค่สติสมรยัญษของคนปกติตามทันว่าหยุดแล้วก็ก้าว ในการก้าวในการหยุดนี้ถ้าสํารวมจิตมารู้การก้าวแต่ละครั้งการหยุดแต่ละครั้งอะไรเกิดขึ้นตัวรู้ใช่ไหมตัวรู้นี้เราเรียกว่าอะไรวิชาเป็นการเกิดเรียนรู้การหยุดการเคลื่อน <c oughs> ด้วยการใส่ตัวรู้ลงไปเป็นการเคลื่อนการหยุดของวิชาให้ใส่ลงนี้ไปเรื่อยในช่วงไหนที่มันเผลอไปมันเพลินไป มาเป็นไง resh, รีเฟลซรีเซตอัพมันใหม่ตั้งต้นใหม่แล้วก็ทําไปถ้าทําไปเพลินก็ไม่รู้ว่าเพลินหรอก็ไม่รู้ว่าเผลอนั้นก็แสดงว่าเราทําไปตลอดแต่ว่ามไม่มีตัวรู้เลยมีแต่สติระดับสัญชาตญาณคืออวิชชาเกิดตลอดเพราะฉะนั้นบางคนเอ๊ะ ท, นทันก็ทำมาท่านก็ทํามาตั้งนานไม่เห็นรู้อย่างที่ท่านว่าเลยก็ยใช่พ่อรู้ด้วยอะไรด้วยอวิชชาคือร้อยหนึ่งเนี่ยเป็นอวิชชาซะ แปสบเป็นวิชาชี่ยี่สเนี่ยมันจ ะ, ะมันก็ไม่แมทไม่สัมพันธ์ไม่สมดุลกันใช่ไหมมันก็กลายเป็นยกด้วยอวิชาไปเนี่คับเดินไปเดินจุ ก, กงตอนแรกก็เดินตั้งใจดีใช่ไหมพอมันเพลินก็เป็นไงเริ่มเดินเดินขึ้นเดินไปเดินมาเข้าไปสู่ความเพลินแล้วไม่รู้อาการเกิดอาการดับก็เดินด้วยอํานาจของอะไรตลอดอวิชาเพราะฉะนั้นเอามาสังเกตไปสังเกตมาอ้ พุทเจ้าทำไมท่านละเอียดขนาดนี้นะก็เริ่มเพราะหลักฐานคืออย่างนี้ว่าทําไมการแค่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นตัวการให้เกิดการเข้าถึงธรรมเพราะมีพระรามคนหนึ่งคือสนใจได้ยินเขาว่าโลกุตตะธรรมนิมมานะเต็มทีแล้วแต่อยากจะรู้ว่าไอ้โลคุตตะธรรมเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่เป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นธรรมที่สูงส่งเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมประดิษฐ์ธรมพีรภาพก็เริ่มไปถามเจ้าสนัก ในสมัยนั้นเจ้าสานักเยอะใช่ไหมก็าถามแต่ปรากฏว่าได้คําตอบไม่เหมือนกันแต่ละสํานักตอบไปคนละอย่างทีนี้มีก็มีคนแนะนําว่างนี้ไปหาไปหาสมณโคตมะที่อยู่เชตาวันท่านอาจจะรู้ก็ได้นะก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าถามว่าข้าแต่สมณโคตมะสมณผู้เจอร์นข้าพเจ้าได้ถามครูบาอาจารย์มาหลายสํานักแล้วเกินว่าโลกุตตะธรรมคืออะไรไปถามพระพุทธเจ้าท่าน พอจะทราบบามว่กุตตะธรรมมันคืออะไร่ทนที่วุฒิเจ้าจะตอบทันทีใช่ไหมท่านก็ลุกขึ้นเดินจงกรมแล้วก็ยืนจงกรมแลหมุนตัวกลับช้าๆแล้วก็นั่งสักพักแล้วก็ล้มตัวนอนนะ บอกนี่แหละพรามคือโลกุตตระธรรมงั้นพามณ์ก็งงอ้าวมันเป็นไปได้ไงว่าตรงไหนเป็นโลกุตตรธรรมไม่เห็นไม่เห็ น, หนท่านอธิบายเลยว่าถามว่าคนทั่วไปเนี่ยยืนเดินนั่งนอนด้วยความรู้ตัวหรือไม่บอกไม่รู้ตัวการยืนเดินนั่งนอนแบบรู้ตัวนั่นเองคือโลกุตตระธรรมถามก็ยังงงอยู่นะยังสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นอมากก็เห็นด้วยเต็มร้อเปเซ็ว่าการยืนนั่งนอนที่ เต็มได้วยการรู้เนื้อรู้ตัวนั่นเองเรือคือโลกุตรธรรมเพราะอะไรเพราะว่ายืนเดินนั่งนอนด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทําให้จิตเป็นไงกลับมาอยู่ปัจจุบันใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวจิตเป็นไงวิ่งกับไปสู่อดีตอนาคตการที่วิ่งกับไปสู่อดีตอนาคตไปสู่ความสูดตรงของการเวลาแต่พอมาปัจจุบันปั๊บพอจินโยงตัวปัจจุบันปั๊บเป็นมัชชิมาของการเวลาอ๋อมัชชิมามาเริ่มต้นตรงนี้เอง มัชชีมาปฏิปทาคือดึงจิตมาสู่ปัจจุบันให้ได้ใชก่อนเรียกว่ามัชชีมาถ้าคิดไปเรื่องในอดีตเป็นสุตรงเป็นกามัชุกานิยโญกานุโยคอันนี้ว่าสมมุติก่อนนะแบบง่ายๆพอคิดไปเรื่องอนาคตเป็นอตัตา ก, กิเลมาถานุโยกพอกับมาสู่ปัจจุบันเป็นมัชชีมาปฏิปทาอามาก็เลยเอาคอนเซปต์ง่ายๆแบบหลวงเทียนอธิบายอย่างนี้ได้เวลาแล้วใช่ไหม มาจะไปเปิดงานข้างล่างก่อนนะตอนนี้ขอว่าขอกาวว่าท่านนิมลท่านอเาเจล่าเอาประสบการณ์ของเราของท่านมาเลาให้ยมฟังนะว่เาเป็นอย่างไรครับยันภาษาภาษาอังกฤษใช้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ถนะัดแต่ภาษาไทยก่อนก็แล้วกัน